ไม่ได้าการที่จะดับเหตุแห่งขันได้ดับตัวนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานข้อปฏิบัติเพื่อดับขันอันนั้นคืออริยมรต้องเจริญอริยมรตเพื่อดับเหตุคือสมุทัยให้ได้การที่จะบรรลุอริยมรคโดยที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นไปไม่ได้ฉนั้นคนศึกษาพระธรรมเนี่ยนะต้องตั้งอัธยาศัยที่เรียกว่าอันหนึ่งที่สําคัญมากคืออะโมหัตธยาสัยอะโมหัตธยาศัยเนี่ยแปลว่าอะโมหะบวกอัธยาศัยอะโมหะแปลว่าความไม่งูเขา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 เพราะคําพูดที่ปรารบอะโลภคนมีโลภมากไม่ชอบคําพูดที่ปรารบอโทสะคนมักโกรธไม่ชอบคําพูดที่ปรารบอะโมหะความไม่ลุ่มหลงคนมีโมหะไม่ชอบคําพูดที่ปรารบศีลคนทุศีลไม่ชอบคําพูดที่ปรารบสมถะหรือสมาธิคนฟุ้งซ่านไม่ชอบคําพูดที่ปราลบปัญญาคนโง่เขลาไม่ชอบคนที่ปฏิบัติเพื่อไปสู่วัตถะ คำบอกกล่าวแนะนำเรื่องวิวัตะเข้าไม่ชอบนี่นะเข้าไม่ต้องการที่เขาไม่ต้องการเพราะเขาไม่มีอัธยาศัยนี่ตั้งคำถามว่าออาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเรามีอัธยาศัยจะรู้ได้หรือไม่ก็ถามใจเราจริงๆว่าเราายที่จะเห็นอริยสัจจริงหรือใจเรามันก็บอกหมดแล้วว่าอยากเห็นอริยสัจจริงหรือไม่อยากเห็นจริงแต่ถามดูแล้วมันไม่เอาเลย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 ใกล้ตรัสรู้เนี่ยนะอย่างเลวก็บอกว่าเดียเาายเด๋ยวก็เลิกเเจริญศีลก็สมาทานไปอย่างงั้นเดี๋ยวก็เลิกละเจริญสมาธิเอออีกไม่นานเดี๋ยวก็เลิกเจริญปัญญาหรือไม่นานก็เลิกศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเจริญโดยที่ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายไม่รู้จักทุกว่าการปฏิบัติอย่างนี้เพื่อความดับทุกข์ถ้าไม่รู้จริงยังไงก็เป็นหานะภาคยะได้เจริญชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อวานก่อนเมื่อวานศืนคุยกับโยม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 ทีนี้ไอ้ถ้าพวกสังสมมาไม่ดีล่ะก็ให้ปลูกฝังอุปนิสัยบอกว่าตอนนี้กําลังมีโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้สักนะนะไม่รู้เอาเมล็ดพันธุเนี่ยหยดลงไปในดินถามว่ามันจะเมื่อไหร่จะเป็นไม้สรงอะ่ะแต่จริงๆรอ่ะต้องการไม้สูงมาสร้างสร้างอะไรที่มันจะใหญ่อ่ะนะแต่ว่ามันอย่างเนี้ยดินอย่างเงี้ยมันต้องเพาะเมล็ดพันุ์อย่างเดียวเอาเมล็ดพันเนี่ยหยดลงไปถามว่าเมื่อไหร่จะได้สรงใช้บอกทําใจให้สบายเถอะ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 อย่างแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์เราคิดถึงคำหรือว่าคิดถึงความจริงเช่นเวลาสวดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นึกถึงตัวเองเลยนะสวดนั่งเมื่อปนอมือไปแม้การที่เราเกิดมานี่มันทุกแท้ไอ้คำว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่านั่งร้องให้น้ำตาซับรักซับน้าตาตลอดเวลาไม่ใช่คำว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ดูสิภาระที่เรารับ ใครมานั่งคิดถึงตัวเองนะภาระเนี่ยตั้งแต่ในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยมีภาระรับอะไรบ้างเอ่รับภาระมหาศาลมั้นเกิดเนี่ยทุกแท้ความแก่ก็เป็นทุกตอนแรกเนี่ยภาระที่มีอยู่ตอนที่ไม่ค่อยแก่แม่รับได้ตอนนี้ความแก่เนี่ยช่างทุกแท้เนี่ยมาคอยเบียดเบียนคอยย่ยํายีเดี๋ยวก็ตีถูกตีตั้งแต่เท้าจก ด, ด้วยนะศีรษะนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ตีแข้งตีขาตีเขา่าตีหลังตีโอ้เดี๋ยวก็ถูกทุบซะจน ปวดเมื่อยไปหมดเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ถูกตีทั้งนั้นแหละนะนบางทีก็ถูกทิ่มบ้างหอก น, น้อยๆทิ่มก็เรียกว่าเข็มฉีดยากันไล่ไปจนถึงอถูกหอกจริงๆวันที่ ม, มันแทงเอาเนี่ยนะนั้นความแก่ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ในที่สุดถ้าเราตายก็เป็นทุกข์แล้วทีนี้ปัญหาสําคัญเนี่ยนะมันทุกข์จริงๆและทุกคนมันเดินไปสู่ความตายเหมือนกันหมด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 ที่คิดเออนี่เกิดนี่แก่นี่เจ็บนี่ตายนี่รูปนี่เวทนาแต่ละครั้งที่คิดมันเป็นสะสมปัญญาทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าปริตต